การกระทำต่างๆทั้งน้อยและใหญ่ชีวิตของบุคคลบทบาทของเขาในโลกและการกระทำต่อกันระหว่างมนุษย์ย่อมสืบเนื่องออกมาจากกระบวนทําน้อยๆที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขนาดแต่ละขนาดนี้เป็นสําคัญในทางปัญญาการปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามกระบวนทําข้างต้นนั้นคือเมื่อรับรู้แล้วรู้สึกสุขสบายก็ชอบใจติดใจเมื่อรับรู้แล้ว